เทศนาแทนที่82ลำดับที่9โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุราธานีสแสดงธรรมในวันที่7พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอยู่แบบมีจุดมุ่งหมาย เขาบอกพออสุจิตว่าขั้นพุทธนั่งเข้าว้าน่ย น, นอนรับใหเอากล่องจอใส่ปูนันเนี่บมาแล้วมาสายให้มูเบิงบันีเพราะว่ามันจะได้สายไปทั่วโลกเลย วันนัน้นเวลาตัวเองจิตรับเป็นหูจักวันเดี๋ยไปหาลับตาไหมก็ะมื่นตาไปเองตัวเจ้าของิตรับวันนั้นรับเลยตรวจเองาอยู่หมกหม ก, ห ม, กหมอกอยู่กระดานลุงพอกับกำลังเบาตัวเองพอ น, นอนรับแบนโบเสียงเห็นบมดเอามาใส่เจ้าของพันเบิง้งแน่นะเปนผู้ไหนนะ มันขายนาเจ้าของแท้แล้วแต่ว่าเขาผูเขาหู่จักเขาก็จะโอ้สงสัยเพลนเนี่เพลนจะปวดไอ้นอนไม่ยอมขึ้นเพลนจีเพ่งตาปางมัดขึ้นเลยเพลนไม่ปด้พักบวดไอ้เศ้าก็เลยเนี่ยเหมือเศร้ามาเพ่นก็เลยบวดไอ้พักเพ่นก็เลยพอฟังเทศเพลนก็ได้นอนเลยนอนรับเพลนไปก็เลยรับฆ่าหลวงพ่อเทศ าการผู้ใดคดยังสรรพกรดีเดีก็ยงังพระไปสวดมัธิกาให้ศพอาเสียวเาไปพระไปไปบครองพระมันบวมมีก็เลยเอาพระใหม่ไปองคหนึ่งพระใหม่ไปองค์หนึ่งองค์สุดท้ายนะครับ ปานน้สามองค์มันเกิดไปกระสวักุสลาธรรมะกุสลาธรรมอปยากตาธรรมะสวดไตรได้อองค์พระเก่าเปนบมแต่พระใหม่นี่ยก็นั่งปัน้อมมือนั้นสวดบุรใดเดสวดบุตรองค์สุดท้ายปานนี้เขาก็เมิ่งเปิงมองแต่องค์สุดท้ายลงไปเป็นยังม่านมูยังสวดบุตรใเขาววนเอาเปียบมูก็จิวังแสนละวะเจ้าเจ้าภาพนะปานนเจ้าอาวาสเี่เป็นหัวหน้าเน้เพิ่ก มีเทคนิคในการเมาได้มันบมดละ เ, เพราะว่าเจ้าภาพมีแต่มองไปองค์สุดท้ายองค์อื่นเมาไดมั้งค์นั้นเมาเอะไรไปว่าเอาเปียกมูอบวบบวานงบพ่อใจจังใดมาทำไปบาดาลสวดแล้วอาจารย์เจา้ า, จาวขวานาเพื่นก็เลยบอกเอ้ยนะส า, นสามองเนี่ยสามองเนี่ยสวดให้คน คนตายฟังคนเป็นฟังแต่องค์สุดท้ายเนี่ยสวดให้คนตายฟังอองค์สุดท้ายเนี่ยสวดในคนตายฟังก่อนออกไปบาทาแล้วเจ้าภาพโอ้ดีใจมากแล้ท่าน <Yeah. S 1> อ, องค์สุดท้ายแหละเป็นองค์ที่สวดให้คงคงตายแล้วฟังอะ่ะเราคงแต่วัยองค์นั่งมากหมักอ่ะ <c oughs> <c oughs> อาเสียพวกลูกหลานก็เลยเบ่าไทยก็บพ่อชัดวนลงไปได้ถวายองค์นั้นลุ้ยอู่ฝูเร่วนำไปขอองค์นั้นสวดในขคนตายฟังเนียไอ้สาวองค์นั้นสวดในข้นเป็นฟังเขาเข้าพอจําเป็นต้องฟังนกเนาะเข้ามาจําเป็นต้องฟังนกองค์นั้นองค์สุดท้ายเนี่ยจำเป็นสําคัญเนยเข้าอยากจะให้ผู้ตายน่ยฟังประเดีองค์สุดท้ายน่ยเพิ่นนั่งรับตาเพิ่นสวดไปได้เพิ่นสวดให้คนตายฟังมันวนไป มาเลยพวกเถ่าแก่อาเสียเจ้าของเจ้าภาพเลยขนของไปถวายองนั้นเยอะกว่ามูวลยไปองนั้นเลยอู่ฟูเลยหมดไปององ์ที่สวดได้ก็ได้ได้กันธรรมดาหมดไปอง์นั้นได้กันพิเศษหมไปเพราะว่าเพิ่งสวดในคนตายฟั่งได้หมดไปอันนี้คือกันนะพระที่เพิ่งเพิ่งนั่งรับเพิ่งอาจจะเข่าซ่านลึกกว่าไปเออ เพิ่นเอาจากเขาซานลึกคนเอาไปเ <g ül> พราะเขาไปลยกหเลยซรับประงกเลยคนอาไปผเ <c oughs> งาอย่าไปหาเพ่งมองว่าเพิ่นรับเพิ่นรับไปไ๋เลย <g ül> เพิ่นเอาจะเขาซ่านลึกก็ได้ <c oughs> อย่างหลวงหลวงปูฝันขึ้นกันนลหลวงปูฝันเทศจูวัตอุดมสมพรอนมันเป็นพรรษองด้วยไ พักนางพักมั น, นัางัเป็นสองแถวเลหลวงปู่ฝันมันก็เทศเปินกรลับตาเทศเทเทไปเลยพวกสัดท่าเนย่ยโ น, นนางจะถงอกเอานั่งสมาธิฟังหลวงปู่ฝันก็เทศเทเทไปบาทนี้หลวงปู่สุพัฒนเนี่ยที่ตกเครื่องบินนะหลวงปู่สุพัฒที่ตกเครื่องบิน เพิ่นพันนางหันหลังหันหันหลังไปทั้งพุ่นเลยก็หันนาเอ๊ะ่แมนเวยเพิ่นก็หันนาไปทางหาย่มเลยวะนางบาดแล้วมันลับป่ะเด้มันลับหัวขหม่ลงไปต๊กลงไปพุ่นเลยะพอต๊กขึ้นมาลุกขึ้นมากับ๊อลุกขึ้นมานั่งอีกคนไปก็ยืจะยเสียข่อมลุ พวกย่ย่องต่างคนต่างมื่นตาเพราะม่นไผเราะเมืเม่นตาคือว่าเรเห็นแล้วเรไปเพราะเห็นอย่ง้อเพิ่เนเ ฝ, ฝ้าลูกก็เฝ้าลลกก็มันึ้นนางมยองคนคนคนนอนรับเป็นบมดเลยขืน ม, มานางเม็ดตัวนั่งไปเฮ็ดทำทาชเฉยคือมืะะอเราไปลงปูฝันเพิ่นเพิ่นเห็นแล้วเราไปว่าผาเหงาห น, นอดตกตกอาจสงวนเราไป พ้นก็เทศไปเรื่อยเราไปพอพนจบพอเทศจบแล้วพ้นกนว่าหเหไหมศรัทธาญาดโยมเสียงทางโคมคามเมื่อกี้เนะี่ยพระท่านปราบมารหลวงปูฝันวาวมงไปพระปราบมารมาไปปราบมา่ารคือปราบความง่วงแล้วมาไปห้หายงวงจักใคร่ไห้เนะราปล่อ่ปราบความงวงนะ้วปราบมารนนับ เห็นไหมพระที่เสียงพวกเราได้เสียงโด่งดังเมื่อคืนเนี่ยไอ้เสียงเมื่อเกี้ยเนี่ยโครงครามเน่ยพระท่านปราบม่านปราบพญามานออกไปปราบความง่วงของเพลินบาตรท้าดาวก็เลยมูก็เลยเห็นว่าจังสันน่ยได้ตั้งซื้อว่าอุปคตุออกไปบาตรเนี่ยหลวงตามหาบัวก็ได้ตั้งไปซื้ออุปคตเป็นผู้ปราบม่านออกไป เพราะอุปคุตเป็นผู้เป็นผู้ปราบม่านเนี่ยเปนมรณะในต่างต่างกชื่อว่าท่านอุปคุตอุปคุตตัวห่งแต่อุปคุตเนี่ยเป็นมานี่เพราะเพราะเหตุใดสมัยต๊ะธรรมาเข้านั่นเอาไปเลยต่างชื่อว่าพระอุปคุตเป็นผู้ปราบพญาม่านบารถ้ามากกานั่นบารเนีพวกญาติโน้มก็กระโสกันได้บานี่ยเอ๊ะแม่นองใดองไรว่าไอ้ที่ปราบไอ้ที่ปราบม่านมันขึ้นนนิอ่ะสันเ อดังโค้งข้ามแล้วสันนิษฐานเด็กหน่อยมันมากับแม่มันเด็กน่อยสามสี่ปีมันมากับแม่มันมันบริเรนรับตาได้เป็นหมดมันก็เบิ้งหน่ออบาราเดมันองค์โค้งพามลงไปมันก็เบิ้งแล้วองคหนูพวกนั้นก็เทียงข้นพุท่าก็เทียงกันเป็นองคไทยเด็กหนูบนไปเด็กน้อยมันก็ยามใส่บาดย่ามือเศ้ามันหมดละย่าหมดตกอุบันิใส่บาดย่ามือเศร้ารอบสราได้ เออพ่อเป็นเด็กหน่อยเห็นลนไ ม, ม, ม่องนี้ราปามาันเมื่อคืนนี่ <laughs> เด็กน่อย ม, มันมดมันดลรับถาได้เป็นหมดเลยเนไม่ไม่ ม, มองน่ปามันเมื่อคืนนี่เนี่ยว้หลวงปู่สุภาศตายตายตายตายเข้ า, าเจ้าฟัเจ้าเอาหนาไปไหวใสเ <laughs> <laughs> นี่ย่แหละ มันเป็นนี่านมันเป็นไม้เนี่ยสัตธาญาตโยมลูกหลานเนี่ยการลงพอเนี่ยบ่มันยืนมันเนี่ยาเสียนะลงพอมันเกิดไหลเกิดอายุยืนวนลงไปมีประสบประการร้ายหมองร้ายทีมากกับมาบ่อยสัตว์ธ า, าตญาตโยมลูกหลานได้ฟังเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด หลวงพ่อได้พูด <c oughs> ชีวิตหรือปฏิปทาหรือแนวทางที่หลวงพ่อเคยอยู่ที่วัดป่าบานตาดสองวันมาบอกกล่าวให้คณะทาญาติโยมโลูกหลานพระเนนเพื่อเป็นแนวทางเรียนรู้เพื่อการศึกษาว่าหลวงพ่ออยู่สมัยนั้นท่านอยู่ปฏิบัติอย่างไร อันนี้คือส่วนหนึ่งที่สองพูดมาแต่วันนี้จะไม่พูดต่ออีกนะเดี๋ยวพูดครั้งต่อไปจึงจะพูดต่ออีกถ้าพูดต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเลี่อนอีกเหมือนกันนะจะหาแนวอื่นมาพูดให้พวกลูกหลานฟังแล้วการเข้าไปศึกษาเข้าไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นนะเรามีจุดประสงค์อะไรนีอันแร้จิตคือจุดประสงค์นะอย่างที่พระพุทธเจ้านะท่านหนีออกจากเวียงวัง ท่านไปหนีไปอดไปอดไปอยากอย่างนั้นใช่ไหมไปหิวไปโวยอย่างนั้นใช่ไหมอยากจะเด่นอยากจะดังใช่ไหมหรือท่านมีจุดประสงค์อะไรเนี่ยอันนี้ก็คือจุดประสงค์พระพุทธเจ้าที่หนีออกจากเวียงวังไปมีจุดประสงค์อะไรอันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไปอยู่กับองค์หลวงตาเนี่ยมีจุดประสงค์อะไร มีความต้องการอะไรทั้งที่ท่านกระดุกดา <c oughs> ดุดาว่าก่าวมากมายไม่ว่าแต่หลวงพอ่อทั้งชาวต่างชาติด้วยพระฝรั่งด้วยโดยมากก็16ิบงถึง18องค์งที่อยู่ด้วยกันพระไม่มากนะโดยมากพระไทยก็ประมาณสักไม่ถึงสิบางทีพระฝรั่งกับพระไทย เ, ยเท่าๆกัน ที่อยู่ด้วยกันที่อยู่องค์ลวงตาองตาท่านก่อนนะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวดุด่ า, าว่าเก่าวถ้าองตาดุด่ า, าว่าเก่าวท่านได้อะไรเออท่านคงมีแต่เมตตาบอกว่านี่วิธีการเอ่อที่จะเอาตัวรอดได้ต้องมีสติอย่างนี้นะต้องมีปัญญาอย่างนี้นะ ต้องรอบครอบอย่างนี้นะเนี่ยลงตาท่านมีแต่สอนสิทธ์นะให้สิทธิ์ทั้งหลายเป็นผู้มีสติปัญญาถ้าว่าลูกศิษย์ของเราจะเป็นใครก็ตามนะจะเป็นครูโรงเรียนก็ตามถ้าครูโรงเรียนลูกศิษย์ของตัวเองนะี่ยไปที่ไหนสอบได้เอาตัวรอดอแข่งขันอะไรเก่งครูบาอาจารย์ก็พอใจท่านก็ไม่ได้ได้อะไร แต่ทำก็ไไม่ได้มุ่งหวังอะไรกับลูกศิษย์อีกต่างหากมีแต่ว่าการสอนของเรานี่ยเป็นผลได้ประโยชน์ที่เราได้รับมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วเนี่ยเราก็สอนให้ลูกศิษย์ศิษย์ของเราก็หนึ่งเป็นที่พอใจสำหรับเราเพียงแค่นั้นครูบาอาจารย์ท่านได้เพียงแค่นั้นนี้ก็เหมือนกันองค์หลวงตาสอน พวกคณะสิทธิ์ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้อะไรแต่ท่านโอ้เข้มงวดกวดขันอยากจะให้เราเป็นคนดีแต่พวกเราเนี่ยมันมองอีกมุมหนึ่งถ้าว่าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้เป็นพระที่ดีคนที่ดีบางโนคนนะ่ะเป็นพาละชนไปเกิดโมโหโกธาไปอย่างพระมหากัจจปะสอนลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ท่านอย่าไปพูดโกหกนะ ท่านอย่าไปพูดตอแหลอย่างนี้นะท่านต้องพูดตามความเป็นจริงนะผลในสุดโมโหให้อาจารย์เอาไฟเผาศาลาเอาทุบหม้อน้ำตุ่มน้ำเผาศาลาเออเปิดแหนบเลยหนีเลยเทำให้ฉาใจทำไมอาจารย์ถึงดูถูกสอนเราพระองค์อื่นะ่ะองนั้นทาไมไม่สอนทไมไม่บอก จะไปบอกได้ยังไงเพราะเขาเป็นคนดีตัวเองเป็นคนเลวนะท่านก็สอนคนเลวนะนะเจน่อทามันไม่มองตอนเองดูมากคนจะไม่มองตอนเองมองแต่คนอื่นนะ เ, เมื่อท่านสอนคนถ อ, อ, อนตอนเองทำไมไม่สอนองนั้นองนั้นเขาเป็นคนดีเขาไม่มีอะไรนะตัวเองเป็นคนเลวนะเท่านก็สอนท่านก็บอกแต่ ท, ที่ไหนได้พอค้อนทุบเผาสาราเสร็จแล้วก็ไป จากนั้นก็นตกลงอเวจีมหานรกเนะี่ยจะทํำยังไงได้เพราะเหตุใดเพราะความชั่วของตนเองนี่แหละครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนตัออ้งแต่หลวงปู่ล่ามานะมาถึงหลงตามาถึงจุดนี้แหละที่หลวงพ่ออยู่ในจุดนี้แหละที่เอนหลวงพ่อนึกย้อนหลังอย่างที่หลวงพ่อได้เล่าให้ลูกให้หลานฟังศรัทธาญาติโยมพระเนนได้ฟังนะ อ, อหลวงพอพอใจ โผล่ใจยกมือท่วมหัวอีกต่างหากว่าเออถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ดุด่ า, าว่เาเก่าวไม่เครียดไม่ตีไอ้คำว่าเครียดตีคือเครเคียดตีด้วยวาจ า, าว่าเครียดคลา้ายๆกับว่าพูดคำหลาบคนะำหลาบด้วยวาจาอย่าทํานะอย่าให้เห็นอีกนะอย่างนี้นะเดี๋ยวไล่หนีจากวัดนะไนะอันนี้แหละคือเครียดเลยเครียดตีนะ แต่ถ้าว่าจริงไหนที่ท่านที่เราทําถูกนะโดยมากท่านจะไม่ยกย่องนะท่านจะเฉยแปลว่ารับรู้ล่อะอะนี่แหละแปลว่าท่านรับรู้หลวงตาเนี่ยท่านจะไม่ย่องคนยกย่องใครง่ายๆนะหลวงพ่อไม่เคยได้ยิน น, ะนานมากที่หลวงพ่อจิตหลวงตาจะยกย่องแต่ยกย่องกัยกล่องรับหลังให้คนอื่นได้ฟังเท่านั้นเองรู้สึก่าพระท่านรู้สึกว่า ใช้ไดอดีที่บอกสั่งอะไรไปก็เป็นรับเป็นพร ะ, ะได้ดีที่ท่านจะยกย่องเพียงเพืเผลนเพนเผิ น, น, น, น, นผิวเผลนเท่านั้นเองอที่แต่ท่นจะยกย่องต่อหน้าคู่คนโดยมากไม่มีสำหรับหลวงพ่อน ะ, อ, ะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นงานต่างๆเยหลวงพ่อจะไม่ออกหน้าเลยละ่ะ ถ, ถ่าไม่ให้ออกหน้าเลยหลวงตา ถ้าเห็นเราโผล่ออกไปเนี่ยท่านขู่ทันทีอย่ามาจุ่งทำไมเออมันจุ่งพอแล้งได้นไปไปหาพาวน า, าหลวงพ่อเนี่ยพอเห็นสายตาท่านก็รู้แล้วว่าท่านไม่พอใจอท่านมองรู้เลยเราต้องลบหนีล่ะ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่ได้ค่อยเข้าไปนี่อันนี้ก็คือแนวทางที่หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอน แล้วเราเข้าไปอยู่อย่างนั้นจุดประสงค์ของของเราคืออะไรเนะี่ยอันนี้เราอยากจะรู้จุดมุ่งหมายในเมื่อการทำมาค้าขายนะเราค้าขายเราต้องการอะไรก็ต้องการเงินใชเ่เราทำงานอันนี้เพื่อต้องการอะไรปลูกข้าวทำนาเพื่ออะไรต้องการข้าวนะทำไรสําปรังเพื่อต้องการอะไร เ, เพื่อต้องการมันสําหลังไปอะไรไปขาย เ, เ, เพื่อไปกิน อบ ก, กั้วยเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงมันคือเพื่อทั้งนั้นแหละจุดประสงค์จุดท้าย ท, ทุกคนนี่ก็เหมือนกันเราก็ไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปปรึกษาแล้วได้อะไรมีจุดประสงค์อะไรที่ท่านสองสอนนั้นเราทาไมจึงไปยอมหรือไปทนทุกข์ใให้ท่านดุดาว่ากล่าวให้กับเรา ไปอยู่ที่อื่นไม่ดีเหรออิสระดีกว่าฮะมันดีกว่าจริงๆเหรออันนี้เราถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์จะดีกว่าเพราะเรายัางไม่พร้อมเราจะต้องได้รับการศึกษาในการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเพราะเราได้การเมื่อเราเรียนรู้แล้วไนะด้จัดการอะไรเราก็มั่นใจว่าออันนี้เราเคยทํามาแล้ว กับครูบาอาจารย์อย่างที่พวกเราเนี่ยจัดอาหารอย่างนี้นแต่วัดอื่นทําไมไม่เห็นจัดไม่เคยทําไม่เคยทําอย่างวัดเราเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเคยทํามาแล้วที่วัดป่าบ้านตาดที่สมัยองค์หลวงพ่อยังอยู่พงพ่อก็นําแนวเมื่อหลวงพ่อยังอยู่กับวัดป่าบ้านตาดก็องค์หลวงตานั่นแหละมาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนลูกหลานให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะพอทําสร็หลวงพ่อก็มั่นใจ เพราะเหตุไรเพราะลุงพ่อว่าทำไม่ผิด เ, เพราะว่าอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้มีกฎระเบียบเป็นผู้มีธรรมในจิตใจมาแล้วท่านให้เราทํา เ, เราได้ทำํำกับมือตาของเราเห็นได้รับรู้ในใจของเรารับชาบยอมรับว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้แนหะเรายอมรับในใจ ว่าถูกต้องนะเพราะนั้นมาถึงเราเราก็เออเอาให้ทาให้ทาอย่างนี้อย่างนี้นะลูกหลานนะเพราะอหตุไรเพราะเรายอมรับในแนวความคิดของท่านมาแล้วจึงได้นานมาประพฤติปฏิบัตินะนี่แหละอันนี้ก็คืองวใหญ่กับพ่อกอกับครูนะอยู่กับครูบาอาจารย์มันก็ดีนะทำอะไรขึ้นมาด้วยความมั่นใจนะเพราะสิ่งไหนทำลงไปแล้วต้องมองครูบาอาจารย์ อย่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าที่ท่านทำอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนองค์ก่อนน่ะขันเคยทำมาไหมท่านก็ใช้ญาณาทัศนะของพระองค์ท่านมองมองมอ ง, มองดูในอดีตใช่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนเน่ยท่านทําอย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็ทําทําอย่างที่พระพุทธเจ้าพาทำอันนี้บอกพุทธประเพณีเป็นประเพณีของพุทธนะ อย่างสาวะกะประเพณีประเพณีของสาวกองค์ไหนที่จะปรินิพานพระสาวกองค์ใหญ่ๆองค์ที่เป็นหัวหน้าหัวแถวก่อนที่จะปรินิพานเขาเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าค่ะข้ า, ขาพราะองค์ขอลาปรินิพานพระพุทธองค์ก่อนไปตามการอันควรของเธอเถอะนะคล้ายๆว่าอนุญาตอันนี้คล้ายๆกับเป็นพุทธ พุทธสาวกอ่าอ่าไม่ใช่สาวไม่ใช่พุทธประเพณีของพุทธะนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พ่อแม่กรูบายจากที่ท่านพาดำเนินมาเราก็มองดูแล้วเออไม่ใช่สแสแซงไม่ใช่ประจบสอพลอไม่จบไม่ใช่ประจบเอ่อูคนเพียงแต่ว่าผู้ใดใครก็ตามเข้ามาในชุมชนกลุ่มของเราต้องดูแลให้ทั่วถึง ให้มีอาหารการบริโภคให้ดูแลกันเพราะสัพเพสัตตาอาหารริทิกาสัพพสัตทางหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารเพราะนั้นพวกเราต้องดูกันเนอะอันนี้ก็คือหลวงพ่อที่บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพระลูกพระหลานน้องนุ่งฉัตรายาตโยมนะให้ดูแลกันให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันให้รักเมตตากัน น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง และก็อันหนึ่งก็คือจุดประสงค์ของเราที่เข้ามาบวชไม่ใช่แต่จุดประสงค์ของหลวงพ่อล่ะจุดประสงค์ของคณะทศไทยญาติโยมพระเนนลูกหลานก็เหมือนกันเข้ามาสู่วัดอย่างวัดหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อก็ไปสู่วัดป่าบ้านตากก็เหมือนกันมีจุดประสงค์อะไรมีจุดประสงค์ส่วนลึกก็คือจะทํำยังไงเราจะได้ยินได้ฟังแนวธรรมคาสอนของท่าน เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานแล้วเราจะทำยังไงเมื่อเราได้ยินแล้วเราก็นำมาประพฤติธปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราให้ไปถึงตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงเห็นจริงในเรื่องนั้นๆท่านก็จะได้พูดให้ฟังจากนั้นเราก็จะได้นำไปประพฤติธปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราของตัวเราเอง จากนั้นก็สมบัติที่ได้ที่ได้ก็เป็นสมบัติของเราเองครูบาอาจารย์เป็นแต่เพียงผู้บอกค้นทางเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้นั่นขุมทรัพย์อยู่ที่นั่นนะเราก็ไปขุดพอขุดขึ้นมาขุมทรัพย์ทรัพย์นั้นก็เป็นสมบัติของตนเองครูบาอาจารย์ท่านเป็นแต่ผู้ชี้ให้เท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันเราเข้าไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ลักษณะอย่างนั้นอย่างองค์หลวงตาก็เหมือนกัน ที่เราเข้าไปที่เราเข้าไปศึกษาไปฟังคือไปศึกษาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปูมงป่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรฟังฟังดูแล้วก็หูไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะหนักหนาสาหัสเหมือนกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เข็นลูกศิษย์นะให้เป็นก็จะเป็นคนดีได้แต่ที่นี่หลวงปู่มั่นน่ยท่านเข็นลูกศิษย์เห็นไหมล่ะลูกศิษย์ของท่านมีมากมายเลยนะทั่วประเทศไทยองคไหนต่อองค์ไหน ล้วนแล้วจะยอมรับว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทั้งนะั้นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์พวกเราจะไม่กล้าเอ่ยชื่อนะอย่างที่พวกเราถ้าว่าครูบาอาจารย์ของเราเลอะเลอเทอะเทอะเเลอะเลือนเอย่างนีน้เราจะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินนะจะได้เหรอถ้าหลวงพ่ออินเลอะเลือนเถ้าหลวงพ่ออินมีกฎมีเกณฑ์ มีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอย่างเข้มงวดกวดขันเราก็พร้อมที่จะพูดได้ว่าอืข้าพรเจ้าเป็นลูกศิษย์ของออหลวงพ่ออินออนี่ก็เหมือนกันลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็ลักษณะอย่างนั้นยอมรับว่าเป็นครูบาอาจารย์ของขอ ง, ของเราเแต่ท่านจะยอมรับเราหรือไม่ทนะั่นแหะแต่เราเนี่ยยอมรับว่าเราเป็น ถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเรานี่หลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อถือว่าหลวงปู่ลากว่าดีหลวงตาหมหาบัวก็่าดเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงถึงจะเป็นหลวงปู่จามก็เถอะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อในระดับหนึ่งเหมือนกันพา่าไงเพราะเรายอมรับแนวปฏิปทาหรือ ว, ว่าการแนะนําสั่งสอนของท่านท่านสั่งสอนด้วยศีลด้วยธรรมด้วยหลักธรรมวิ น, นัยให้เป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษอย่าลืมตัว ทำอะไร เ, เขาเราเราเข า, เาจากนั้นก็บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพว ก, กลูกหลานน้องๆนุง่ ง, ง, งตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมานี่แหละอันนี้จุดประสงค์ของเราก็คือคนะือพ้นทุกข์เท่านั้นเองเอไม่ต้องการอย่างอื่นถงอยังไงเราจะทำยังไงจุดนั้นเรื่องสมาธินะ เรามัดเข้าไปศึกษาใหม่ๆไม่ว่าท่านผู้ใดใครก็ตามนะ่ะพอได้ยินเข้ามาแล้วเชื่อบางไม่เชื่อบางทีแรกเป็นสันสัตยานของมนุษย์ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นแต่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเราเชื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วท่านพูดจริงพูดจังเราทดลองเลยสิวะเนี่ยอันนี้เราก็นั่งสมาธิดูสิ่ในเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปกับสเปสะสปะไปเรื่อย ถกบังผิดบังได้บังเสียบังนอนหลับไปบังฟื้นขึ้นมาบัางลุกขึ้นมาบัางแต่หลายครั้งต่อหลายหนมันก็มันก็เป็นไปเองแนะถ้ามีถ้าเรามีความใส่ใจนะทางองหลวงตาท่านท่านท่านพูดนะท่านแรกท่างก่อไปก่อนที่จะเป็นนาคไปนาคติวัดโยธาในมิตรนะท่านไป น, นาเข้าไปไปท่องเอสาหังนะก็บมีพก อาจารย์เหมือพระในวัดที่เป็นพระพี่เลี้ยงแ้่้้อ้้ทท้้ทท้้ทท้ทท้้้้้้้้้้้้้้้้า้้ท้้ยยมม้้้้้้้้้้้้้้พ้้้้้ท้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้โธเหมือนกัน้้น้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้น้้้ท่า้้้พอที่คําได้ยิน้้้้นั้น้้ภาวนาทดลอง้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้ ท่านกัภาวนาพุทโธเพราะท่านบอกว่าพุทโธขาวนั่นอ่ะดูพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธความรู้จิตใจที่ปุ่มฟุ้งซ่านตะก่อนมันสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาอ่มันไม่ออกเหมือนตะก่อนท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเหมือนกับว่าตะก่อนมันเหมือนกับแห่ทันวันอ่ามันแห่มันหวานออกไปมันพือพึ่งออกไปพือออกไป เออมันเต็มแต่ที่พอจับจับจอมแห่ขึ้นมา น, ะนั่นแหละพอจับจอมแห่กวนความรู้สึกแต่มันสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเหมือนกับเรายกจอมแห่ขึ้นไปนะตีนแหมนก็จุ่มเข้ามาไม่ใช่ล่ะจอมจุ่มจุ่จุ่จจจเข้ามานะ่ะเอ่าผลในสุดมาอยู่ที่ปลายจมูกทันหมดนะอยู่ที่กําหนดลมหายใจเข้าออกท่านั่นนะ่ะจิตใจมันไม่ออกไปข้างนอกเจิตจันทร์ก็รวมป๊อปช่ไหม อพอลวมปุ๊บฉันรุ่งขึ้นมาโอ้มันเป็นอะไรทําไมเป็นอย่างนี้ไปแต่โอ้โหมันมีความสุขจริงๆที่จิตที่มันรวมน่ยที่มันรวมจุดครั้งแรกเอพอจากนั้นมามีแต่อยากจะให้มันค่ําำจะได้จะได้นั่งภาวนาต่ออีกทันวมาน่ะเอพอจะพกําหนดเข้ามาอีกจะทายมันเป็นอย่างเก่ามันไม่เป็นทันวันเนี่ยเพราะความอยากมันมีอมันกับจิตแจมันกับปูงฟุ้งพอมันความอยากมันมีในใจจากนั้นพอ องท่านก็เอายอดปลอยไม่เอาแล้วธรรมดาอีกพอธรรมดาธรรมดาอีกมันก็เป็นอีกมันก็รวมอีกนนี่แหละวิธีการภาวนาจุดนี้อย่าไปตั้งความอยากนะคือทำภาวนาเอาเหตุให้พอดูเหตุให้พอกําหนดลมหายใจเข้าให้เพียงพอแล้วผลมันเกิดมาเองอันนี้หลวงตาท่านพูดนี่แหละเราเริ่มต้นที่เราเป็นนาศ นั่นะจากท่านเราก็เดินจงกรมอยู่ตามลําพังเวลาขาขวาพุทธเราไปหลบหลบไปที่มืดๆที่คนไม่เห็นที่คนไม่เห็นเราก็ไปเดินจงกรมนัท่านท่านมีอุปนิสัยของท่านนะดูเรหลงตาของเราเนี่ยตามหาบวรท่านมีอุปนิสัยเก่าแก่ร่างเดิมของท่านมาแล้วเนี่ยพอได้ยินคน พ, พูดเท่านั้นะท่านก็ น, นํามาประพฤติปฏิบัติ เดินยังกลมนั่งภาวนา ท, ทำยังไงเดินยังกลมทํำยังไงนั่นแนหะถ้าว่าคนไม่มีอุปนิสยัยเขาฟังทังหูซ้ายทั้งหูขวาเนะี่ยเหมือนกับเป่าปี่ให้ควายฟังลักษณะอย่างนั้นนะ่ะเพราะมันไม่มีมมอุปนิสยัยถ้ามีถ้าผู้มีอุปนิสัยแล้วนะเมื่อฟังเข้าไปแล้วถึงใจฟังศึกษาเลยออนํามาประพฤติปฏิบัติดูซนะิเพราะมีอุปนิสัยเก่าแก่ดึกดําบรร ติดพบติดชาติมาแล้วในอดีตชาตินะ่พอฟังเข้าไปแล้วก็สะดุกสะดุดนะในใจจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติก็ได้ผลเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโจมลูกหลานพระเนนทุกองนะจุดประสงค์ของเราที่เข้ามาบวชและเข้ามาอยู่ที่วัดวาศาสนา เ, นเพื่ออะไร เ, เพื่อฝังความพ้นทุกจะไม่มาเวียดไหว้ตายเกิดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจาร ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดเอาไว้เราต้องศึกษาจุดนี้ศึกษาศึกษายาวทีเดียวนะศึกษาให้ถี่ถีท่วนทถวนทีจริงๆนะหรือพบหรือชาติไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่วิชชาอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องธรรมดาวิชาตัว น, นีนะ้เป็นวิชาถอนกิเลสออกจากจิตจากใจถอนวิชาคือความโง่เขลาออกจากจิตใจไม่ใช่ธรรมดา ต้องใช้ติต้องใช้ปัญญาต้องใช้เวลาต้องใช้ความรอบครอบต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพอสมควรนะแต่เดี๋ยวนี้อุบาอาจารย์ของเราก็มีเยอะมีมากนะยเราจะฟัง MP3 ของหลวงตาก็ได้ที่ทันเทศไว้ในเทศเราฟังศึกษาจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติเป็น แนวทางของเราได้ทั้งนั้นแหะถ้าผูกใยในการศึกษานะเพราะนั้นการศึกษาของเรามีมากไม่ใช่ว่าจะมาฟังจากหลวงพ่อองค์เดียวไม่ใช่ได้เอ็มพีสามหลงตาไปนะเปิดฟังฟังแล้วก็นั่งฟังดีดีท่านสอนเรื่องสมาธิท่านทํำยังไง เ, เรื่องวิปัสสนาท่านสอนยังไงท่านจําระกิเลสทางด้านจิตใจของท่านเอาท่านทํำยังไ ง, อ, ง, ไงอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นธรรมะ ถ้าเราฟังหลายคลางต่หลายหนหลายชั้นหลายเชิงนะหลายเล่เหลี่ยมอหลายสติหลายปัญญาเข้าไปเราก็มีหนทางเราก็รู้แนวทางตามแนวแถวของพ่อแม่กูบายอาจารย์แนะนำสั่งสอนน ะ, ะวันนี้ให้แนวความคิดในมุมมุมนี้ก่อนนะต่อไปรับพร